พระสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องเรียกว่าโสรสกิตคือกิจ1ิอย่างในอริยสัจซึ่งท่านแสดงไว้ในดีกาธรรมจักกบวรวัฒนสูตรก่อนที่จะพูดถึงโสรสกิตนั้นเราขอให้ทราบว่าตำราที่เราถือว่าเป็นพระคำพีทางพระพุทธศาสนานั้น ก็มีอยู่หลายชั้นด้วยกันชั้นแรกจะเรียกว่าสุตตะก็คือประตรายวิโกที่เป็นการจดจารึกพระพุทธวจนะเอาไว้โดยตรงอยางข้อความในธรรมจักรที่เรียกราวมาในวันก่อนต่อมายุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงในสมัยนั้นคนสมัยนั้นก็เข้าใจดี แต่ว่าในร่่งการผ่านมาข้อความบางตอนนั้นยากต่อการเข้าใจท่านก็ได้เรียบเรียงหนังสือขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าอัตกถาคืออธิบายข้อความที่ยังยากอยู่ให้ชัดเจนแจ่แจ้งยิ่งขึ้นอัตกถาจะหยิบเฉพาะข้อความที่ยากขึ้นมาอธิบายหรือข้อความบางตอนเช่นในพระพุทธ ในพระสูตรได้แสดงไว้โดยย่อพอมาถึงอัตถกถาท่านจะขายความออกไปให้พิสดารขึ้นเพือง่ายต่อการเข้าใจนั้นพวกที่เกี่ยวกับนิทานเรื่องราวต่งตางๆจึงมักจะปรากฏในอัตถกถาโปราคนในตอนหลังนั้นสติปัญญาที่จะเรียนรู้เข้าถึงธรรมะให้เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าก็ยากน้อยลง ต่อมาหนังสือเมื่อผ่านยุคผ่านสมัยมาหลายร้อยปีข้ามก็อาอีกคือมันยากอีกพระาจา์ในรุ่นหลังก็รจนาขึ้นเราเรียกว่าดีกาต่อมาก็ไอดีกา ม, กมันก็มีข้อที่ยากอยู่อีกเวลาผ่านมาก็เปลี่ยนเป็นอนุดีกาแล้วก็จนถึงก็อัถโยชนาคือแก้คําศัพท์คําประโยค ต่างๆที่อาจจะเกิดความเข้าใจสับสนได้ข้อนี้ท่านเล่าถึงวความสับสนในข้อความคือบางทีมันล้มไปทางประโยคไปเลยในข้อความแทนที่จะเป็นธรรมะมก็กลายเป็นเรื่องร้ายสาระไปอย่างเช่นพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงไว้ในธรรมบทภาคที่4นะฮะศาสวัต ในตอนหนึ่งทรงแสดงว่าบุคคลแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นอมตะ บ, บทคือปณิพานก็สู้มีคนที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่เห็นอมตะ บ, บทคือปณิพานไม่ได้แต่คนจมนั้นจำคลาดเคลื่อนเวลาแกท่องแกท่องถูกในตอนต้นแกบอกว่าคนเราแม้มีอายุตั้งร้อยปี แต่ถ้าไม่เห็นนกขงทะเลไซก็สู้คนที่มีอายุวันเดียวจะเห็นนกขงทะเลไม่ได้เลยมันจบเล้มไปทั้งประโยคเลยไม่ได้ความอะไรขึ้นมาไหนก้อ น, นี้เกิดขึ้นในปลายพุทธสมัยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนะปรานดนลไปได้ยินข้าวเลยต้องไปแก้ให้ใหม่นี่ก็คือความวิปลาสคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นความเข้าใจสับสนในด้านศัพท์ หรือแม้ในสมัยพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าก็เคยเล่าถึงนิสัยของพระรูปหนึ่งที่มักจำอะไรสับสนด้วยเช่นคราวที่จะสวดในเรื่องที่ก่อให้เกิดความสังเวชสลดจิตท่าน ก, ก็ไปสวดซะอีกเรื่องที่ท่นานใช้คำว่าคราวที่จะพูดถึงงานที่เป็นอัปมงคลท่านก็สวดมงคลไองานอัปมงคลไองานมงคลท่านก็สวดอัปมงคล ก็คล้ายๆกับปรงานศพแล้วไปสวดมงคลละสูตรนะครไปสวดศพแล้วสวดมงคลลสูตรพ อ, อไปถึงก็จะขึ้นบ้านใหม่ก็ขึ้นกุสลาธรรมากุสลาธรรมมากันมาเลยอย่างเงี้ยคือท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่า ว, ว่าท่านผู้นี้เป็นจรรริตตสันดานของท่านคืนเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแท่ไรแล้วก็รับสั่งเล่าในชาติก่อนมีใจความโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าเคยเป็นลูกของท่านผู้นี้ ่ว่าโสมัทัตพอดีโคตายโคของพ่อตายโสมัทัศนั้นก็เป็นที่โปรดปรานเขาไม่จเจ้าแผ่นดินโสมัทัตก็แนะนำพ่อให้ไปขอโคจากพระราชาบุษาท่องบทกราบทูลซะอย่างดิบดีเลยท่องตั้งนานก็ในคำท่องนั้นโสมัทัตสอนว่าข้าพระองค์ไถานาด้วยโคผููหนึ่ง แต่ในโคคู่หนึ่งนั้นตัวหนึ่งตายเไจแล้วก็ข อ, อพระราชทานโคตัวที่สองพอเวลากราบทูลก็จริงๆแกก็กราบทูลตรงหมดแสามประโยคแลกวว่าข้าพระองค์ถไถนาด้วยโคคู่หนึ่งแต่ว่าในโคคู่นั้นตัวที่หนึ่งตายไปแล้วก็ขอให้พระองค์รับโคที่โคที่เหลือไปด้วย เธอแทนที่จะขอโคเขาเลยไปบอกให้โคเขาเช่นแต่ก็ดีที่ว่าลูกชาแก้ไว้ทันราชารับสั่งถามโสมมทัศน์ว่าเป็นไงบ้านเธอมีโคมากเลยามาบอกให้ครับสมมทัศน์ก็กล่าบทูลว่าโคที่พระองค์พระราชทานก็มีมากเป็นราชาก็ชอบพอพระทยเลยพระราชทานโคไปให้นี่เราจะเห็นว่าเรื่อง ความเข้าใจนั้นจําเป็นจะต้องมีการสืบต่อกันหลักการศึกษาพระพุทธศาสนาของเราที่ดํารงกันมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเราไม่ออกนอกทางถ้าประสูตรว่าไว้ไม่เข้าใจก็ต้องตรวจสอบที่อันตรกถาอันตกถาไม่เข้าใจก็ดูที่ดีกาดูที่อนุดีกาดูที่มติอาจารย์ดูที่โ ย, ยชนาะตํารามันก็มีเป็นชั้นๆประมาณห้หชั้นด้วยกันซึ่งเมื่อท่านกล่าวโดยสรุป เกาเป็นกลุ่มๆ ก, ก็มีอยู่สี่ชั้นของคมภีร์นะฮะสรุปว่าโอกาสที่จะผิดนั้นมีได้ยากนะครับถ้าเราไม่อวดดีจนเกินไปนะฮะหรือไม่อวดดีที่จะตีความเอาเองอธิบายเอาเองเนี่ยมีข้อที่ท่านอธิบายไว้เสร็จไม่ต้องกห่วงนะโซโลสกิจเป็นเรื่องที่ออกจะละเอียดปกติเราก็ไม่ค่อยนํามาพูดกัน เห็นว่ายังไงก็พูดเรื่องธรรมจักรแล้วโสรสกิตก็อยู่ที่ธรรมจักรแต่ว่าอยู่ที่ดีก า, ราธรรมจักรคำว่ากิจก็คือหน้าที่การงานหรือสิ่งที่บุคคลทําอริยรรสัจสี่ประการก็เหมือนกันเมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแกจะทําทกิจหรือหน้าที่ของแกคืออย่างไรสี่ทุกข์ก็สสมุทัย4ี่นิรุตสี่มรรคสี่ก็รวมกันเป็น16กกิจด้วยกัน เราเรียกโซโลสกติตประการแรกก็คือทุกข์สัตว์เมื่อแก่เกิดขึ้นมาแล้วแก่จะทํากิจคือหน้าที่ของแกสีอย่างอย่าลืมว่าทุกนั้นก็อย่างที่สวดกันนะชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายความโศขความราไรลําพันธ์ความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาหรือการพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นทิรัก เบื้องต่ำโดยสรุปก็คือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5้าเป็นความทุกข์พวกนี้พอแกเกิดขึ้นแล้วก็จะทําหน้าที่กแกสี่ประการประการแรกก็คือเบียดเบียนซึ่งหมายความว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นซึ่งอาจจะออกมาในรูปของความทุกข์หรือความสุขก็ได้ในแง่ของเวทนานะฮะ แต่ว่าแท้จริงแล้ว ก, ก็ถือว่าเป็นความทุกข์คราวนี้จะเห็นว่าพอจุดปฏิสนธิในชั้นของเกิดมันก็เริ่มเบียดเบียนคือเปลี่ยนภาวะนั้นไปด้วยแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วเวลาแก่มันก็เบียดเบียนอยู่เรื่อยไปคือทุกบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราพระเจ้าทรงจําแนกเอาไว้เป็นสิสองข้อด้วยกันคือบางอย่างมันเป็นทุกประจําเรียกว่านิพพตทุกข์ทุกเนืองนิด เป็นทุกเบการกินอาหารรับประทานอาหารการขับถ่ายอะไรต่ออะเนี่ยมันมีอยู่งั้นตั้งแต่ไหนแอะไรมาแก้ไม่ตกสักทีเป็นทุกข์ที่มีการเบียดเบียนอยู่ด้วยกินแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็หิวก็หมุนบนกันอยู่อีกประการที่สองก็คือมีปัจจัยปรุงแต่งอีกอย่างที่เคยบอกมาว่าองค์ประกอบของความเป็นทุกข์ทั้งส่วนที่เป็นสภาวะคือทุกข์หลักได้แก่เกิดแก่ตายกระทุกจอนทั้งหลาย ล้นก็อยู่ที่เหตุปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งเข้ามาประกอบกันซึ่งเหตุปัจจัยนั้นมีอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภายในได้แก่ใจที่ไปกาหนดหมายนี่เป็นตัวการที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าใจเราไปกำหนดหมายอะไรไว้มากความทุกข์ก็มากไปยึดไปถือไว้มากความทุกข์ก็มากยึดถือน้อยความทุกข์ก็น้อย อย่างที่เราปรุงว่าเป็นของเรานะ่ยคือปรุงอย่างเดียวสมมติว่าปรุงมาเป็นของเราเนะี่ยใครที่มีของเรามากคนนั้นจะทุกข์มากอย่างที่โบราณท่านพูดทุกกษัตริย์เจ้าวัดทุกแม่เรือนท่านเหล่านี้ของเรายะแต่ก็มีเจ้าวัดมีแม่เรือนมีกษัตริย์บางพระองค์ที่ท่านไม่ยึดไม่ถือท่านทํางานตามหน้าที่ของท่านแล้วก็มีความทุกข์น้อย แต่ถ้าไปยึดไปถือไปเอาจริงเอาจังไปกะเกณ์มุ่งหวังย่ยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากคามทุกข์มันก็มากกิจในริยสั์ข้อต่อไปก็คือความเร่าร้อนอันนี้เน้นไปที่ตัวเวทนานะฮะเวทนาคือส่วนที่เป็นุกขเวทนาแต่เราจะเห็นว่ามีความเร่าร้อนปรากฏอยู่ตลอดในชั้นความเกิดเองพระบุรานาจารก็อธิบายเอาไว้ว่าเด็กที่อยู่ในคันในขณะที่อยู่ในคัน ประสบความทุกข์ทรมานมากออกมาจากคันก็ประสบความทุกข์มีความเล่าร้อนก็เล่าร้อนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปุกเดืงนิดทุกโดยโรคภัยไข้เจ็บพยาธิทุกๆจากการเบียดเบียนต่างๆมีต้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าก็มีความร้่าร้อนอย่งทั้งหมดในส่วนจะมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่ตัวปรุงแต่งอีกและในตัวปรุงแต่งภายในภายนอกประการที่สี่ก็คือมีการแปรปลุน แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไปไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่จะแปรปรวนในแนวจเจริญขึ้นหรือว่าในแนวเสื่อมลงมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยยันที่เคยกล่าวเรื่องของความแก่เอาไว้พุกศาสนาแสดงไว้สองช่วงเขาเรียกแก่เปิดแก่ปิดไอแก่แก่ปิดนั้นคือแก่ในตั้งแต่อีตอนเราเกิด เกิดมาจนถึงใบกลางคนก็เรียกว่าแก่มันแก่มันปิดอยู่เราเรียกกันว่าเจริญ ว, วัยวัยย่าเปรย์ว่าเสื่อมนะก็แปลก็เป็นคําพูดที่ว่าจะแปลกฮนะเจริญก็คือเจริญวัยย่าเปรว่าเสื่อมคือเป็นความเป็นความเสื่อมแต่มองเห็นในรูปของความเจริญเพราะงั้นในช่วงนี้จะเห็นว่าเป็นที่ต้องการปรารถนาของคนทั่วไปคนเราในตอนนั้นอย่างพวกเด็ก อายุสิบห้าสิบหกอะไรตัเนี่ยพอขึ้นปีใหม่ก็จะรีบนับอายุแล้วก็จะชอบจะได้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นพออายุมากขึ้นก็เรียกว่าอยู่ในมัชชิมาไว์นะเริ่มปกปิดอายุล้ขนาดว่าพอถึงวันเกิดแล้วเลยวันเกิดไปแล้วก็ยังนับปีปีนั้นนะปีครบวันเกิดเป็นสี่สิบแปดก็สี่สิบปดจนกว่าจะหมุนกลับมาถึงวันเกิดอีกที ถึงจะนับสี่สิบเก้าก็แข็งใจนับเอาหน่อยเแต่ว่าเป็นความชราที่เราไม่ชอบเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบเป็นเรื่เปลี่ยนแปลงในแนวที่ที่ดิ่งลงที่ตกต่ำลงนี่ก็คือความแปรปรวนของทุกเพราะว่กิจของทุกข์กษัตริ์เวลาแกเกิดขึ้นแกจะทําหน้าที่ของแกอย่างเงี้ยไม่ว่าต่อใครก็ตามทุกคนนะฮะแต่อย่าลืมว่าไอ้เหตุปัจจัย ไอตัวที่นํามาปรุงแต่งมันแตกต่างกันคนเราจึงแม้จะวัยเท่ากันแต่อายุแก่ไม่เหมือนกันทั้งอายุกายทั้งอายุจิตมันแก่ไม่เหมือนกันบางคนก็งอมแก่สุดโสมในดุในส่วนร่างกายแต่บางคนก็น้อยหน่อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างที่ว่า น, นี่คือกิจในทุกขสัตว์มีสข้อนะฮะประการที่สองคือสมุทัยสัตว์ มีสีข้อเหมือนกันข้อแรกก็คือเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเน้นไปในเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์คือหมายความว่าเน้นไปในทุกข์ของสังสารวัฏอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าตัณหาชเนติบุริสังตัณหานั้นทำชนให้เกิดอย่าลืมว่าสมุทัยนั้นเน้นไปที่ตัณหา แต่อย่าไปติดในรูปแบบนะฮะว่าจะต้องเป็นตันหาเสมอไปกิเลส ท, ทุกช น, นิดแหละนันเป็นสมุทัยทั้งนั้นทำไมในที่นี้จึงทรงแสดงตันหาเพราะในแง่ของมูลรากกิเลสถ้าพูดถึงอดีตเหตุแล้วทรงแสดงว่าวิชาเป็นมูลวิชาเป็นมูลเหตุถ้าในปัจจุบันแล้วก็ตันหาเป็นมูล ลองสังเกตดูว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนมันก็เกิดมาจากตัณหาอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มีอยากให้สิ่งที่มีอยู่นั้นดำรงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากให้กลับฟื้นคืนมาเป็นต้นไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงคือความไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงก็รสรุปว่าในปัจจุบันนั้นตัวตัณหาเป็นตัวหลักจึงทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ ซึ่ก็หมายรวมถึงกิเลสทุกชื่อทุกรูปแบบทุกลักษณะไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามอย่างคล้ายๆกับที่พูดตะกี้เนี่ยว่ามันเหมือนการตัดต้นไม้นะฮะคือตัดรากตัดโคนมันก็ตัดตัดกิ่งตัดอะไรอะไรมาเรื่อยมันก็เป็นการตัดแต่ตัดมากตัดตัดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราตัดแต่ในที่สุดแล้วก็คือเป็นการตัดต้นไม้เหมือนกันทุกขสมุทัยเมื่อเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุเกิดแห่งทุกษาปใดที่เรายังละตัญหาไม่ได้ ตัณหาที่ทรงอุปมาว่ามีลักษณะเหมือนเถาย่านสายเถาย่านสายก็เรียกว่าพันไม้เลื้อยก็แล้วกันอามาก็ไม่รู้ต้นมันเป็นไงเหมือนกันแล้วท่านอุปมาว่าอย่างนั้นคือลักษณะพันไม้เลื้อยคือมันเลื้อยก็มันไปเรื่อยมันเลื้อยก็มันไปเรื่อยไปเกาะโน้นเกาะนี้ไปปลูกพันธุ์กัสิ่งต่างๆไว้ด้วยลักษณะของตัณหาก็เป็นเช่นนั้นแต่เราจะเห็นว่าในแง่ของสังสาระมันก็เลื้อยไปสู่พบน้อยพบใหญ่ ในแง่ของชีวิตรูปของความคิดมันก็เลื้อยไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ผูกมัดอารมณ์เหล่านั้นไว้นะคล้ายๆกับพวกเนี่ยพวกต้นฟักต้นอะไรเนี่ยเออไม่เถาเถาฟักเถาเถาไม้เลื้อยทั้งหลายฮะคือจะเห็นว่าเมื่อมันเลื้อยไปแล้วมันมันมันจะมีคล้ายๆกับรากอะไรมันเนี่ยไปมัดเอาไว้มัดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เลื้อยต่อแล้วมันก็มัดต่อเลื้อยต่อมัดต่อเรื่อยไปปลูกพันธุ์สิ่งเหล่า น, นั้นเอาไว้ข้อที่สองนั้นแปลว่า เป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นเหตุแห่งทุกขซึ่งหมายถึงตัวอารมณ์ปัจจุบันเน้นไปที่ตัวอารมณ์ปัจจุบันมากดังที่กล่าวมาแล้วว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นก็เกิดมาจากกิเลสซึ่งอาจจะเรียกโดยประยัยอื่นอย่างในสรุปตอนสุดท้ายของทุกที่ส่งสรุปว่ากล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดมั้นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านั้นก็เป็นความทุกข์ซึ่งก็หมายถึงว่า ก็เป็นลักษณะของตัณหาเป็นผลพวงที่เกิดมาจากตัณหาประการหนึ่งนั่นเองประการที่สองก็ประการที่สามนะฮะประการที่สามคือประกอบสัตว์ไว้ในสังสารถุกสังสาระก็คือการเวียนว่ายนะฮะการเวียนว่ายการหมุนวนไปในกระแสของสังสาระทั้งทั้งช่วงสั้นทั้งช่วงยาวช่วงยาวก็คือหมายความว่า เกิดจากพบโน้นไปสู่ภพโน้นช่วงสั้นก็คือในชีวิตของเราได้แก่จิตที่สายไปในอารมณ์ต่างๆแล้วมันประกอบสัตว์ไว้ในอารมณ์เหล่านั้นยกยกตัวอย่างสายเขามันหมุนสักชุดหนึ่งฮะลองลองดูสมมติว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างนั่งอยากได้ปั๊บมันก็เพาะเชือ้อคือพอเห็นปั๊บพอพอใครบอกสิ่งนั้นดีอย่างนั้นอย่างนั้นอยนนมันก็เพาะเชือ้อความพอใจขึ้น เสร็จแล้วกลับไปสู่บ้านนะที่จริงสิ่งนั้นไม่ปรากฏแก่ประสาทสัมผัสแล้วแต่มันอยู่ในใจอยู่ในใจเราก็ไปจาเอาไว้ว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์แต่งั้นอย่างั้นจำหมายเรื่อยเสร็จแล้วก็คิดถึงเรื่อยที่เรียกว่าสังกปะคือเราคิดขอเราเรื่อยพอคิดมากข้าวก็เกิดปริบาลความพอใจก็สูงพอ ป, ปริมาณความพอใจสูงมากก็เกิดความเล่าร้อนขึ้นภายในใจคืออยากได้สูงขึ้นอยากได้สูงขึ้นจิตมันก็สาย ครั้งแรกป็นจะสายภายในจิตก่อนสายมากว่าจะทํำยังไงจะวางแผนยังไงจะหาเงินยังไงจะมีวิธียังไงอะไรอะไรเนี่ยก็วางแผนก็สายไปด้วยภายในที่สุดประสายมากมันก็ออกมาางนอเป็นการสแสวงหาเป็นการสแสวงหาด้วยวิธีการต่างๆนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณตันหามากหรือน้อยถ้าตันหาไม่มากเกินไปก็ยังสแสวงหาในทางที่ยุติธรรมที่ถูกต้องตามธรรมเนี่ยถ้าตันหามากแล้วก็ส่วนมากมันก็ล้นนะะับก็ออกมาในทางที่ ไม่สุดจริตซึ่งก็ทรงแสดงไว้ว่าการแสวงหาก็มีอยู่สองแนวนะการแสวงหาหที่ประเสริฐในชั้นธรรมดานะฮะชั้นธรรมดาสามัญก็หมายถึงว่าสัมมาชีวะการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาชีวะในชั้นธรรมดาทั่ ว, วไปเนะมือม่อเมื่อมีการแสวงหาก็มีการได้มาเมื่อได้มาแล้วก็มีการกําหนดหมายว่าของเราการกําหนดหมายแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในสิ่งตนั้นต่อจากนั้นก็มีการรักษาคุ้มครองป้องกัน มีการมีการหวงแหนก่อนนะฮะมีความรู้สึกหวงแห น, นธนุถนอมสิ่งเหล่านั้นเมื่อหวงแหนก็มีการคุ้มครองป้องกัน ร, ราคาคุ้มครองป้องกัน ร, ราคาเมื่อแล้วก็มีการต่อสู้มีการรหัสประหารอาญยาต่างๆ ท, ท, ท, ท, ที่ออกมาทางกายทางวาจาคือการเบียดเบียนกันทางกายทางวาจาก็เกิดขึ้นมันก็ขังให้เราหมุนวนเอาไว้นะฮะสมมติว่ามันเกิดหายเนี่ยมันเกิดหายมันก็สายไปเพื่อสแสวงหาหาไม่ได้มันก็อยากได้ใหม่อยากได้ใหม่มันก็หมุนเข้าวัตจักรดิหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยฮะ หนกลับไปกลับมาอย่างนั้นไม่รู้สักกี่เที่ยวกี่ครั้งกี่คนให้ลองสังเกตประวัติจักรในช่วงสั้นมันจะหมุนเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ในช่วงยาวนั้นแน่นอนนักเกินว่าศาสตร์ใดที่ยังละตันหาไม่ได้มันก็จะสายไปตามอํานาจของตันหากิเลสานี้บางครั้งจะเรียกคําว่าโยคะโอคะคือมีลักษณะเหมือนห่วงน้ํานะฮะเหมือนห่วงน้ําท่านจะเห็นว่า วัตถุใดก็ตามที่ตกลงไปในกระแสน้ำน้ำแกจะพัดผันไปตามตามกระแสขึ้นมาและสิ่งนั้นมันจะไม่มีอิสระแกตัวเองเลยมื่ขึ้นอยู่กับ น, น้ำจะหมุนไปน้ำจะหมุนก็จะซัดขึ้นฝั่งบ้างบางทีก็ซัดลงมาบางทีก็เอาไปหมุนไว้ในที่ใดที่หนึ่งลักษณะาอารมณ์ที่ประกอบด้วยตัณหาจะเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะถูกสมูทัยเนี่ยมันประกอบไวคือขังไวประกอบไว คือค อ, อมันลักษณะคล้ายๆผูกมัดนะฮะเป็นเรียวกว่าโยคะคือการประกอบไว้ อ, อประการที่สามที่สี่คือขังไว้ขังสัตว์ไว้ในสังสารทิทุก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะฮะทั้งช่วงสั้นช่วงยาวช่วงสั้นก็ในชีวิตในอารมณ์ของเราเวลาเราเกิดตัณหาในอารมณ์ใดก็ตามจิตจะสูญเสียความเป็นอิสระทันที มันจะถูกบังคับให้สายถูกมีการกระซิบกระซาบใจมีการสั้นไปในอารมณ์นันนันอยู่เรื่อยไปแล้วในสังสารวัทุกนั้นก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าดูก่อนวิสูุทั้งหลายเพราะการที่เราและเธอทั้งหลายไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้ก็แสดงอีกแนวหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแสดงอีกแนวหนึ่งเท่านั้นเองจึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัต จนนับจนนับประมาณไม่ได้นะบางครั้งทรงอุปมาให้เห็นเช่นว่าเวลาคนร้องไห้เพราะการพลากจากทรงเชื่อเห็นว่าการเวียนว่ายในสังสารวัฏที่เราร้องไห้เพราะการพลัดพรากจากคนที่รักเป็นต้นถ้าน้ําตามันไม่แห้งสมมุติวันไม่แห้งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้จะกี่แสนชาติโกลชาติน้ําตาเนี่มากกว่าน้ําในมหาสมุทรสี กระดูกนี่ถ้ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่ผุเปื่อยอะไรไปนะฮะมันจะกองเป็นภูเขาลอกาเลยนี่ก็แสดงว่าถูกขังไว้ในสังสารตุกเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าจัดสรูนะ้เลยฮะพระพุทธเจ้าจัดสรู้เขาเรียกว่าปฐมพุทธคตเปล่งพระพุทธอุทานพอได้บรรลุอาสวัคยานเสร็จเปล่งพระพุทธอุทานเนะว่าเราเมื่อแสแบงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตัณหา ในสร้างคือตัะหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนะฮะสร้างชีวิตในรูปแบบต่างๆต้อ ง, องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นอันมากการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เรื่อยไปเกิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งก็ไม่เ ย, ยทุกทีหนึ่งทุกเยอะแต่หมายความว่ามาขาบวนการแห่งความทุกข์ก็ตั้งต้นอีกชีนหนึ่ ง, งแล้วก็เสร็จแล้วเนื่องจากพระองค์ละตระนาได้ ก็รับสั่งว่าดูก่อนนายช่างคือตันหาพูดกรรทำเรือนบันนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนคืออัตภาพให้แก่เราต่อไปไม่ได้กััเพราะส่โครงเรือนยอดหลังคาไรตรไรอุปกรณ์จันทันจันเทินคือสมมติเป็นบ้านนะฮะเรียกชื่อกิเลสทั้งหลายคล้ายๆกับองค์ประกอบของความเป็นบ้านเราได้ทาลายหมดแล้วนี่ก็เป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็หยุดหลุดพ้นจากกลม ลักษณะการหลุดพ้นจากกรงนั้นบางครั้งก็ส่งแสดงในรูปอุปมาณนะอุปมาเช่นแสดงแก่เวรัญเชพรามก็เหมือนกับลูกไก่มันก็ลูกไก่คือคล้ายๆกับคนเราแต่ละคนเนี่ยหมือนก็ไก่ที่อยู่ในฟองไข่เวลาจเจริญเติบโตเต็มที่มันก็ทำลายกระป๋อฟองออกมาได้ นี่เป็นการแสดงฐานะของพระองค์ในฐานะที่เรียกว่าถูกคอคุ้มโดยเนี่ยถูกคอคุ้มด้วยฟองแต่ว่าพูดถึงอวิชชาไม่ได้พูดถึงตันหาคือพูดพูดถึงตัวใหญ่เมืันเลยพอถูกคอคุ้มปิดบังไว้แต่พระองค์ทําลายกระเป๋องฟองมาได้ก่อนก่อนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนทั้งหมดนะฮะเพื่อนร่วมโลกทั้งหมดพระองค์ก็ทําลายมาได้ก่อนพระองค์จึงชื่อว่าเป็นเชษฐะคือเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ในฐานะที่หลุดจากกระป๋องฟองไข่ เพรา ะ, ะ น, นในที่นี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็เป็นพี่ใหญ่ในฐานะที่หลุดจากกระแสของสังสารวัตรกระแสสังสารวัตอย่างที่มาบอกแล้วว่ามันหมุนแบบกระแสน้ำครับมักใช้กระแสน้ำเป็นเป็นวัตถุธรรมในการเรียนรู้เพราะว่ามันเห็นได้ดีเอาของโยนลงไปในน้ำแล้วเราเห็นได้ชัดเลยเวลาอธิบายครับ มันมันไม่มีความอะไรเป็นตัวของตัวมันเลยมันต้องมันต้องถูกพัดหมุนอยู่ยงี้ยแล้วก็ขังไว้ในนั้นนะฮะในกระแสน้ําจนป่วยหน้าุหน้าปุกปุกพังไปอยู่ในกระแสน้านั่นเองแต่ว่าเมื่อหลุดจากตัณหามาได้มันก็ชื่อว่าหลุดพ้นจากกระแสหลุดพ้นจากกรงขังอุปมาเหมือนกับกรงขังนะฮะคือขังไว้ในสังสารทุกขสังสารทุกข์นะฮะในสงสารด้วยในทุกข์ด้วย ต่อไปก็นิโรธสัตว์อันนี้สี่แล้วนะฮะต่อไปนิโรธสัตว์ก็มีสี่เหมือนกันนิโรดนั้นนิรุทธะเนี่ยรุทะเนแปลว่าเครื่องเสียดแทงนะฮะนี้ก็คือออกท่านที่ เ, เรียนมอสอหามาแล้วก็คงนึกออกนะว่าในหนังสืออุเทศภาษาไทยนี้เข้าลงออกนะฮะอุปสรรคในที่นี้หมายถึงว่าออกแปลว่าออกจากเครื่องเสียดแทง พระพุทธเจ้าทรงอุปมาบางทีอุปมาตันหามันก็ลูกศรนะมันก็ลูกศอนที่กำทราบด้วยยาพิษเวลาเสียดแทงปัจจุบันเอาไว้สมัยใหม่หน่อยก็เรียกว่าลูกกระสุนก็ได้ก็ลูกกระสุนฝังในถูกยิงแล้วลูกกระสุนฝังอยู่ข้างในมันจะมีลักษณะเสียดแทงแต่ลูกกระสุนมันไม่เครือบยาพิษนะมันคงจะเสียดแทงน้อยกว่าลูกศอนลูกศอนมันมันมันแทรกยาพิษนแช่ยาพิษมันกำทราบแล้วมันก็วิ่งท่านไปในที่ต่างๆ สรุปว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีลักษณะเสียแทงอยู่ตัณหานะฮะตัวตัณหานั้นมีลักษณะเสียดแทงอยู่แต่ทีนี้พอมาถึงนิโรธมันก็ถอนเครื่องเสียดแทงนั้นได้ก็คล้ายๆก็ถูกเสียดแทงด้วยลูกศรแล้วก็ถอนลูกศรมาได้ลูกกระสุนฝังในแล้วก็ผ่าไอ้ผาลูกกรสุนออกมาได้แต่ความสบายมันก็บังเกิดขึ้น เมื่อนิโรธเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทําหน้าที่4ประการนะฮะประการแรกก็คือออกจากอุปชิอุปธินั้นเป็นการเรียกเป็นการเรียกกิเลสกับเรียกขันเรียกกิเลส ก, กับเรียกขันเรียกขันทูปะริขันทูปฏิกิเลสูปะิีนะเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเรียกในลักษณะหนึ่งคือคล้ายๆกับเออมันเก็บสะสมไว้นะเก็บสะสมไว้กั าการเก็บอัดไว้ในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าอุปธิขันธูปธิก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะได้แก่จิตที่ไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพอมาถึงนิโรธคือดับดับกิเลสได้มันก็ดับความเป็นเราเป็นเขาลงไปได้ ความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ข้อ น, นี้เพิ่งเห็นได้นะฮะว่าความโกรธเครืองอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่มันที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไอ้คําว่าเราในข้าไปเกี่ยวข้องโบราณเนี่ยท่านมักจะพูดคําว่าอ่างการบังการพูดอยู่บ่อยๆโบราณเนี่ยใช้คำสองคำอ่างการก็คือเป็นเราบังการก็คือของเรา ให้ลองสังเกตว่าถ้าถ้าเป็นเรากับไ อ, อของเราไม่มีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกอย่างพวกที่เขาไปถล่มค่ายผู้อพยพปาเลสไตน์กันตาย ต, าย ต, ายต่งยยางเยอะแยะเราไม่มีความรู้สึกกว่าของเราถ้ารู้สึกกว่าของเราป่านนี้ก็ร้องไห้กันอย่างไม่หายก็ตายกันจังนี่ให้ลองสังเกตว่าถ้าวันไหนที่ไอคำว่าของเราสิ่งอะไรก็ตามของเราเข้าไปผูกไว้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้น เพราะงั้นนิโรธเนี่ยคือการดับคำว่าของเราคำว่าเราคาว่าเป็นเราเป็นต้นเนี่ยดับออกไปความยึดติดในขันต่างๆที่เคยมีนะฮะแล้วก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วพึงสังเกตว่าพฤติกรรมของพระเรียเจ้าทั้งหลายไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าหรอกคือเอาพระอรหันต์ที่รองรองล ง, งมาเช่นสมมติว่าพระสารีบุตร ภาษาดิบุตรนี่พราหมณ์เคยตีศรีรษะท่านเพื่อต้องการทดลองว่าท่านจะโกรธหรือไม่โกรธมิวบาสอุบาสิกายกย่องภาษาดิบุตรว่าท่านไม่โกรธไอพราม์ไม่เชื่อคนไม่โกรธมันเป็นไปไม่ได้สาราิบุตรเดินบินตบาดแกแอบย่องไปข้างหลังตีหัวเลยสาราิบุตรเดินบินตาบาดเฉยแต่พอดีชาวบ้านเขาเห็นเขาเขาจะรุมประชาธิรัฐ พรามนะครับภาษาริบุตรก็เลยต้องหันกลับมาแล้วก็มาถามโยมถามชาวบ้านว่าจะทําอะไรบอกว่าพราหมณ์ผู้นี้ตีหัวพระผู้เป็นเจา้าเพราะงั้นต้องจัดการภาษาบุตรถามแล้วตีหัวโยมเนตีหัวใครไม่ตีเขาบอกว่าไม่ได้ตีหัวของพวกเขาหรอกแต่ตีหัวภาษาดิบุตรท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ได้ว่าอะไรนีโยมจะเป็นเ ด, ดรร้อนทําไมคือนี้เราเราจะเห็นว่าท่านไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราตีก็ตีไป นี้ก็ดีไปท่านก็เพ ร, ะราะอะไรพระท่านถอนไอขันถูปฏินะคือความยึดติดในขันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราออกไปได้กิเลสูปฏิมันก็ไม่มีอะไรนะฮะพวกพวกกิเลสชุดนี้ส่วนมากจะจัดเป็นสเป็นสข้อด้วยกันก็มีกามนะมีกามมีพบมีทิฏฐิมีวิชา จะจัดเป็นสีแนวด้วยกันเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปบางทีก็เรียกชื่อเรียกชื่อตามลักษณะอาการนะฮะอย่าไปติดใจในในชื่อเพราะว่าลักษณะอาการของเขานั้นก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเขาทาอะไรในขณะนั้นจะเรียกอย่างนั้นคล้ายๆคนเราซึ่งก็มีหน้าที่แตกต่างกันเวลาหนึ่งก็เรียกอย่างหนึ่งเวลาหนึ่งก็เรียกอย่างหนึ่งแต่ว่าที่จริงก็หมายถึงคนคนเดียวกันต่อไปก็ ทำอะไรทำให้สัตว์ดับนะฮะคือคือบรรลุนิพพานนะถ้าถึงพระนิพพานจึงมีความหมายที่เรียกชื่อเยอะแยะอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าทำที่ย่ายีความกระหายเอ้ยยํายีความเมาบรรเทาความกระหายตัดกระแสของวัฏตะเป็นต้นเนี่ยก็แล้วแต่จะเรียกเรียกได้มากมายทีนี้ปราศจากเครื่องปรุงแต่ง ท่านทั้งหลายโปรดสังเกตนะว่านิพพานเนี่ยมันตรงกันข้ามกั บ, กบโลกคือโลกนี้มีเครื่องปรุงแต่งโลกเป็นสังขารนิพพานเลยเป็นวิสังขารไม่มีเครื่องปรุงแต่งโลกนั้นมีการเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดก็แตกดับไปนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการ แต่เปลี่ยนแปลงคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนิพานมาอย่างไงก็เหมือนเดิมไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตัวนิพานฮะเป็นภาวะที่ไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งในความเป็นนิพานนะั้นแต่อย่าลืไมไปไอ้เหตุให้ถึงนิพานอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอริยมรรคมีองค์แปดนั้นคือตัวสร้างนิพานแต่ว่าพอถึงนิพานแล้วมันก็หมดความปรุงแต่งหมดความปรุงแต่ง คล้ายๆก็บคล้ายๆกับยานอวากาศที่มันมันต้องอาศัยพวกจระโดดชัดเทินยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปเนี่ยฮะพอแกหลุดรอยอไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดันไม่มีอะไรที่จะดันแกอย่างที่เคยอยู่ในโลกแล้วเพราะว่าหลุดพ้นไปแล้วเออประการต่อไปนั้นก็คืออมรุตรถเป็นอมรุตตรถ ท่านทั้งหลายค ง, คงเคยได้ยินว่าบรรดารถทั้งหลายนั้นรถแห่งธรรมประเสริฐกว่ารถทั้งหลายซึ่งมันมีความสะอาดมีความส ง, งบมีความยืกเย็นอย่างที่อย่างที่อธิบายกันไม่ได้มไม่ต้องเอาอะไรมากนะฮะว่าการปฏิบัติทางสมาธิเราปฏิบัติไปจนถึงระดับของไม่ต้องกายเราฮะทุติยชานแต่นั้นเองระดับทุติยชานะ เ ป, เป็นความปีติความสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถอธิบายได้นอกจากว่าจะปฏิบัติให้สัมผัสด้วยตัวเองที่นีอามารุตรถนั้นก็คืออะไรคือไม่ตายนะครับคำว่าคือรสที่ไม่ตายมันเป็นข้ามันอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ระดับโลกิยาเรานี่รสมันเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม้แต่ว่าความชอบของเรา ธาตุขันธ์มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามลักษณะของธาตุขันธ์แต่นิพานเป็นอรุตเป็นอมรุตตรสคือทำผู้ดื่มผู้ดื่มรสของนิพานของนิโรธนะฮะตรงนี้เรียกว่านิโรธไม่ตายไม่ตายนั้นก็มีนัยยะหลายนัยยะนะฮะนัยยะคือตัวภาวะของนิพานนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นอย่างหนึ่งคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นรีประการหนึ่งก็คือว่าไม่เกิดนะ ไม่ต้องเกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องพูดถึงตายนะฮะเพราะเราพูดถึงสิ่งที่ตายนะเราพูดถึงสิ่งที่เกิดเนมะื่อมีการเกิดก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องตายไม่ต้องพูดถึงเรื่องแก่เรื่องเจ็บอะไรทั้งหมดเลยเพราะนั้นเรากล่าวถึงสิ่งเฉพาะที่สิ่งสิ่งที่เกิดเท่านั้นเองบ้านกิจของนิโรธในข้อนี้ถ้าเราลองสังเกตดูนะครับ มันจะทําให้เกิดแนวความคิดที่สมัยก่อนนะพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาต้องการที่จะไม่ตายกันอย่างแนว เ, เท พ, พนิยายที่ท่านเล่าถึงเทวดากวนกเกษียนสมุน เ, เพื่อหาน้ําอมฤตมาดื่มกันเพื่อไม่ให้ตัวเองตายเพราะงั้นเทพทั้งหลายจึงเรียกว่าอมรแต่ว่าน้ําที่ดื่มเรียกว่าน้ําอมฤตนะฮะอมฤตเพราะงั้นในพุทธศาสนาเลยมีอมฤตด้วย แต่ามาริดคนละอามาริดกันออมฤิดของเขาดื่มแล้วเมานะฮะก็เราดื่มแล้วหายเมาเลยบางคนละอย่างกันฮะมันคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับการแปลงสสารเป็นพลังงานในทางวิทยาศาสตร์ตามแนวไอทฤษฎีปรมาณูของไอน์สไตน์คือมันแปลงไปแล้วมันเป็นมันเป็นศูนย์มันเป็นพลังงานเป็นปรมาณูแต่ว่ามีผลในทางทำลายได้ฆ่าคนได้ ของเราแปลงสสารเป็นพลังงานเหมือนกันคือเข้าเข้าถึงภาวะของสุญญตาคือความว่างเปล่าไม่ยึดไม่ถืออะไรแต่มันก็เป็นพลังงานในการทําลายกิเลสพอทําลายกิเลสแล้วมีผลประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเพราะฉะนเมื่อท่านที่เข้าถึงสุญญตาคือเข้าถึงความว่างหรือปณิพานเนี่ยท่านจึงมีชีวิตอยู่เพื่อโลกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ตาม จะมีชีวิตยอยู่เพื่อคนอื่นตลอดนะพระพุทธเจ้าเองก็สี่สิภาพระพันศานั้นก็เป็นการอยู่เพื่อโลกไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์สร้างประดิษฐ์านสถานบันสง์ขึ้นมาก็เพื่อโลกไม่ใช่เพื่อพระสงฆ์เหลนะ่านั้นให้ลองสังเกตว่าพระคุณของพระสงฆ์ก็ดีพุทธเจ้าก็ดีกค่มีอยู่สองคนนะเออคุณส่วนพระองค์ก็คุณส่วนทูนเกื่อกุลเกีโลกของพระสงฆ์นั้นคุณส่วนตนท่านท่านสี่ข้อ จะเกืกูลแกโลกห้าข้อแต่หน้าที่ต่างๆแม้ในระดับที่ลดหลั่นลงมามันก็พยายามที่จะปฏิบัติพัฒนาเพื่อให้อยู่ในจุดนี้ให้อยู่ในจุดที่มันใกล้เคียงนิพพานเข้าไปด้วยที่เรียกว่า น, นิบานัณเสยวสันติเกคือใกล้ปนนกไปนิพพานเข้าไปจะใกล้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครมันก็ก็คล้ายๆการเดินทางนะฮะถ้าพยายามเดินไปเรื่อยมันก็ใกล้เร่อยถ้าหยุดเดินมันก็ช้าหน่อยถ้าไม่ยอมเดินก็ยิ่งแล้วใหญ่ แต่แน่นอนว่าคนที่เดินไปมันก็กลายเข้าไปทุกขณนะนิพพานจึงถือว่าเป็นอมริตรุดเป็นรถที่ทำกูดดื่มไม่ให้ตายแล้วก็เมื่อไม่ตายก็ไอ้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ต้องพูดถึงน น, นะฮะแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่มีพบอะไรอีกต่อไปอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีพบมันก็เป็นสังขาร เมื่อเป็นสังขารก็ต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเข้าใจรักเรียบร้อยแต่นิพานเป็นอมรุตรถคือเริ่มที่ไม่เกิดออลักษณะญาณความรู้ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าก็ดีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยจะลงตัวกันเสมอเลยยามพระพุทธเจ้าในที่รับสั่งแสดงนะฮะแก่พระวิษุปัญญคีก็บอกว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย นติดาณิปุญ พ, พบโภพหมายไม่ได้มีรานเองก็จะเกิดว่าขีนาชา ต, ชาติชาติสิ้นแล้วอุติตังรมายจริรยังการประพฤติพรมจรรย์จบแล้วกระตังกัะในยังกิจที่ควรทําก็เสร็จแล้วนาปรังอิทธาตายาติประชานาติติกิจอื่นในทํานองเดียวกันนะในการละบาปละความชั่วประพฤติความดีนี่หมดนะพอเข้าถึงเป็นอมรุตตรสเป็นรถที่ทําผู้ดื่มไม่ให้ตายนะจริงๆก็ไม่ให้เกิด แต่ว่าฟังไม่ให้ตายมันน่าฟังมากกว่าก็น่าอยากได้มากกว่าก็เมื่อไม่เกิดก็เปน็นอนไม่ตายทีนี้ต่อไปก็อริยมรรอริยมรรมีองค์แปดประการนะฮะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ของเขาสี่ประการเหมือนกันประการแรกก็ทำให้สัตว์ เข้าถึงพระนิพพานอย่าลืมว่าอริยมรรคนั้นมีองค์แปดนะฮะคือสัมมาทิฏฐิปัญญาเน้นชอบความําริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบระลึกชอบแบบพยายามชอบระลึกชอบตั้งสติมันชอบเมื่อปฏิบัติต้องครบองนะจึงจะทำกิจได้เต็มที่จริงๆนะทกิจได้เต็มที่จริงๆ พอทําได้ครอบองค์แล้วก็เกิดเป็นสัมมาญาณนะคือความความรู้ที่ชอบความรู้ชอบจึงเป็นตัวมรรคจริงๆ น, นั้นองค์ของมรรคเนะี่ยอันนี้คือคือตัวมรรคแล้วผลก็คือสัมมาวิมุตต์เป็นจิตที่หลุดพ้นในทางที่ชอบอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เคยกล่าวมาบ้างลแล้วประการต่อไปก็คือเป็นเหตุให้ คนสามารถดับทุกข์คือมันก็ ม, นกมันก็ตรงตรงตรงกันข้ามกับไอ้ผู้สมุทัยนะฮะก็เป็นเหตุให้คนถึงซึ่งความหมดสิ้นไปแห่งทุกข์ซึ่งในชั้นนี้ได้โปรดสังเกตว่าอริยมรรในเต็มองค์นั้นคือเต็มสูตรจริงๆนั้นก็ดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างที่ว่าแต่ในชั้นของการปฏิบัติท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือแต่ละองค์ของอารยมรร มันก็ทําหน้าที่ของเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในแต่ละจุดคล้ายๆจะเราจะอุปมาว่า อ, รอารยมรรคนั้นเหมือนกับเชือกแปดเกลียวสามารถยกน้ําหนักไดสก้สมมติโดยสักสิบกิโลอะไรเนี่ยสักสิบตันมันใหญ่หน่อยทีนี้สมมุติว่าเราจะถอดออกสักเกลียวไอ้สิบตันมันยกไม่ได้หรือถอดออกชิ้เกลียวหนึ่งนะฮะแต่ว่าสักแปดตันมันยกได้ ที่มันบัดทอดออกสิเกลียวหนึงอีกมันก็ยกได้น้ําหนักที่รถ ด, ดันลงมาได้เรื่อยๆแล้วแม้แต่ในเกลียวเล็กๆอีกเราดึงมาพินทีละเส้นมันก็มัดอะไรได้ดังนั้นองค์อะเรียมักแม้แต่ละข้อเราย่อยออกไปอีกคือเล็ก ๆ, ๆน้อยๆลงไปอีกเนี่ยเช่นสมมติว่าสัมมาวาจามัส ม, มาวาจาเขามีอยู่สนีะ่เราอย่างเดียวเราอย่างเดียวคือสัจจะอย่างเดียวสัจจะอย่างเดียว มันก็กลายเป็นอำนวยประโยชน์ให้ในส่วนของเขาอย่างในวิมานวัตถุก็ดีนะฮะวิมานวัตถุนี้ทรงแสดงไปมากจนเป็นปัญหาที่พระโมคคลานะเองต้องเข้ามากราบภูมพระพุทธเจ้าไปพบเทพธิดาเป็นนั้นมากมีสัจจะตัวเดียวสัจจะอย่างเดียวแต่นั้นเองแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพธิดา พระโมคคัลลานะมากราบทูลถามว่ามันเป็นไปได้หรือที่ถือสัจจะอย่างเดียวแล้วมาเกิดเป็นเทพทธิดาพระเจ้าว่าทําไมต้องมาถามเราก็เธอไปเห็นมาแล้วคืนนีเ้เราจะเห็นว่ามันก็เอาเส้นย่อยๆของเชือกนะฮะเส้นเล็กๆของเชือกดึงออกมาอีกทีจากเกลียวในแปดเกลียวนะฮะแล้วในแปดเกลียวเราดึงเส้นเล็กออกมาอีกทีมันก็เอาวยประโยชน์ให้เรียกว่าไม่ร้ายผลทั้งหมดเลยเอาเว้นคําหยาบอย่างเดียวไม่ด่าใครไม่ด่าใคร เรเว้นคำเพ้อเจอ้อไม่พูดเพื่อเจอ้อไม่พูดก็คือไม่พูดถ้าพูดก็ต้องพูดเป็นประโยชน์ไม่พูดก็คือเฉยเฉ ย, เ, ย, อ เ, ย, ยกกเอาอย่างเดียวไม่ส่อเสียดยุโยงให้ใครแต่กันเอาอย่างเดียวเหมือนกันนี่เราจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี่ยมันก็คล้ายคลกับอะไรคล้ายคล้ายกัญญานะคล้ายคล้ายกัญญาปริมาณที่สมบูรณ์นะหมอบอกก็ต้องกินเท่านั้นทน่านี้ปริมาณที่สมบูรณ์ก็ทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่ แต่ปริมาณที่ลดหลั่นลงมาไม่ใช่ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแกก็ต้องทําหน้าที่ของแก่ได้รูปรมาเหมือนกันแสงสว่างอย่างที่เคยพูดออกไ้ว่าถ้าน้อยแก่ก็จัดมืดได้แต่ว่าในส่วนที่แกสว่างอยู่นะความมืดมันไม่เกิดนี่ก็คือองค์ของอริยมรรคที่ที่จะเห็นได้ว่าในชั้นสมบูรณ์ก็คือชั้นสมบูรณ์แต่ว่าในชั้นที่ลดหลั่นลงมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามมันจะอำนวยผลให้ในขอบข่ายของ แล้วก็เป็นตัวที่นําสัตว์ออกจากกรงขังนะฮะคือสังสาระทุกองอริยมรรคที่บุคคลปฏิบัติให้สมบูรณ์นะฮะออกจากกรงขังคือสังสาระทุกแต่นี่ก็อีกแหละเพราะอริยมรร้นก็คือชั้นศีลชั้นสมาธิชั้นปัญญาในชั้นศีลมันออกจากทุกระดับระดับที่สงบระงับเวรระงับภัยต่างๆมีชีวิตของคน พระที่ตั้งแห่งเวีภัยมันก็อยู่ที่ศีลหยุดที่การผิดศีลเราลองดูว่าการเบียดเบียนการเขียนข่าประทุศรายการในโลกนี้มีอะไรมันก็เรื่องผิดศีลการฆาตกรรมหมู่ในในเบรุตมันก็มีอะไรมันก็เรื่องผิดศีลมันก็เรื่องปาณาติบาตเรื่องปาณาติบาตก็เห็นกันได้ ช, ชัดๆนะทีนี้ถ้าหากว่าหยุดศีลได้หยุด พฤติกรรมต่างๆโดยอาศัยศีลได้แต่หลักศีลมันก็สงบระ ง, งับแต่เปลี่ยนไปในชั้นนนั้ทีนี้ถ้าประณีตขึ้นไปมันก็ออกเกทุกข์เรื่อยไปออกเกทุกข์เรื่อยไปตามลําดับเลยอย่างที่เคยบอกมาแล้วว่าลักษณะของธรรมะในส่วนนี้นะฮะส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยมันเป็นสันเลขะสันเลขาธรรมคือขัดเกลาขาดมันไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยก็ชั้น คล้ายๆกับเหมือนกับการซักผ้ามันก็ไม่ใช่สะอาดครวดเดียวทั้งหมดมันก็ขัดไปเรื่อยๆด้วยการเช็ดถูพื้นอะไรต่ออะไรก็เหมือนกัน่ะมันก็ไปโดยลําดับะเป็นการปฏิบัติโดยลําดับมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําอะไรได้แบบแบบปาฏิหาริย์หรือแบบอะไรนิรมิตเอาดนบรรดาลเอาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องอาศาัยทําไปตามลําดับก็ ข้อต่อไปก็คือเป็นอธิบดีคือเป็นตัวใหญ่อธิบดีคือผู้ผู้ใหญ่นะฮะอธิบดีผู้ใหญ่หรือว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในวิมุตติยาณทัศนะอันนี้ความยากเลยนะฮะวิมุตติยานัทสนั้นก็คือความรู้ความเห็นในวิมุติความรู้เห็นในวิมุติคือจิตที่หลุดพดนะ้นเอาดูตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้กัแล้วกันนะเอาเอาเอาวิมุติธรรมดาได้ก่อน เราจะเห็นว่าอย่างสมมุติว่าเลิกละอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นอะไรดีเช่นเหล้าก็ได้บุรีก็ได้กระตัทนทั้งหลายอาจจะไม่ดื่มเหล้าอาจจะไม่สูบบุรแีแต่หมายความว่าความชั่วอะไรสักอย่างหรือว่าไอ้อความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างเช่นเช่นอะไรนะฮะเช่นเช่นเราเป็นบินยูชนเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วเลิกเล่นตุ๊กตา เ, เอางง่ายนี้นะฮะตุ๊กตาก็เล่นทั้งผู้หญิงผู้ชาย ทีนี้ออพอพอจิตบงรลุพ้นเนี่ยคือเลิกเล่นตุ๊กตาเนี่ยระดับของการที่เกิดความ เ, เลิกเล่นตุ๊กตานั้นจะเห็นได้ว่าเพราะตัวปัญญามันสูงขึ้นเหตุผลมันสูงขึ้นคือสมาธิสัมมาทังกะปะมันสูงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่สมบูรณ์นะฮะไม่ใช่สมบูรณ์คือคื อ, ค, อคือปริมาณของความเห็นกับความคิดของเราเนี่ยมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ทีนี้ไอลักษณะรู้เห็นมันพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยมันก็ดูที่ใจตัวเองถ้าไปเห็นเด็กเล่นตุ๊กตาอย่างอยากเล่นเนี่ยแสดงว่าแสดงว่ายังไม่พ้ น, น่ยยังไม่พ้นจากความคิดแบบเด็กๆหรือไปเห็นตุ๊กตาสมมุติ ว, ว่าไม่ใช่อยากซื้อให้เด็กนะฮะอยากซื้อเพื่อตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าความรู้เห็นในบีมุดนี่รู้ว่ามันยังไม่บีมุติรู้ว่ายังไม่บีมุติ หรือว่ า, เ, าเลิกดื่มบุตไอ้เลิกเลิกดื่มเหล้าแล้วเลิกสูบบุหรีแล้วนะฮะก็มาดูที่ใจตัวเองว่ามันเลิกได้จริงหรือเปล่าหรือเอาอยางอื่นมาแทนหรือเอาอยางนัดมาแทนเอาอยาฉุนมาแทนหรือว่าเอาอยาอค์มาแทนหรือว่าใจจริงๆก็ยังอยากอยู่ถ้าอยากก็แสดงว่ารู้เห็นว่าไอ้ตัวนี้ยังไม่บีมุติอ่ะยังไม่หลุดพ้นบีมุดติยาณนะทัศนะในความหมายที่สมบูรณ์นะฮะ ในความหมายที่สมบูรณ์นั้นพอปฏิบัติตามองค์อริยมรรคขึ้นไปมันจะมีความประณีตในด้านจิตใจขึ้นโดยลำดับท่้นจะเห็นว่าชั้นศีลกิเลสหยาบก็สงบชั้นสมาธินิวรณก็สงบชั้นปัญญานิถอนตัณหาพร้อมธรรมบุญรากอนุสัยสังโยชน์อะไรต่ออะไรมันก็หมดมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตอย่างที่ทรงแสดงไวในท้ายของพระสูตร เยอะนะฮะยกตัวอย่างใกล้ๆประุตใกล้ๆที่จะกล่าวในวันอื่นวันต่อไปก็คืออ น, นันตตลกักษณะสูตรทรงแสดงให้เห็นว่าแสดงื่องขัน5นะฮะแต่เราลองสังเกตว่าสภาพความคิดเห็นสติปัญญามันจะสูงขึ้นโดยลำดับทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกเมื่อสับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้สับแล้วด้วยนะเห็นแล้วด้วยมีสองอย่างสับ แล้วก็เห็นเห็นว่าไงเห็นว่าขันธ์ห้านั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเห็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเห็นด้วยยาณนะย่อมเบื่อหน่ายพอเห็นจริงๆก็ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปรูปัสมิงปีนิบินติติย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาเบื่อน่ายทั้งในสัญญาเบื่อน่ายทั้งในสังขารเบื่อน่ายทั้งในปัญญาพอเบื่อน่ายมันเกิดอะไรเกิดว่านิบินดางเวรจติพอเบื่อหน่ายก็คลายกำลังคลายความยึดความต อย่างที่มาเคยเคยอุปมาให้ฟังว่ามันเหมือนกับเราแอบไปนอนใกล้กรงเสืออะไรเนี่ยตอนมืดมืดน่ไม่รู้พอแสงสว่างขึ้นหันไปดูเห็นเันกรงเสือก็เริ่มขยับตัวแล้วฮะหาทิศทางที่จะหนีไปโดยไม่ให้เกิดอันตราย ห, หรือหลงจับอสรพิษในที่มืดหรือว่าเคยเล่าถึงหลงตาที่ไปแอบนอนอยู่กับศพจะบนสาราทั้งคืน พอตื่นขึ้นมาถึงปลรูวนอนกับศพมันก็ขยับตัวแล้วเปิดนะนี่ก็ความเปลี่ยนแปลงมันมันมั น, ม, นมันเกิดตอนไหนเกิดตอนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจิตมันเกิดเปลี่ยนตอนเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นเราอาจจะหลงอยู่ได้ตลอดแต่พอเกิดรู้ปั๊บมันจะไม่หลงแนละ้วท่ น, นี้ต้องขึ้นอยู่ปริมาณของความรู้ด้วยนะฮะว่ารู้สูงขนาดไหนก็ทรงแสดงว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำ น, นัด พอคลายกำหนัดจิตมันก็พ้นพอพ้นตัวนี้เรียก ว, วมุตติยานาจสนัสมะคือรู้ว่าเราพ้นแล้วรู้ว่าพ้นแล้วนี่เป็นเรื่องที่สําคัญถนะ้าหากว่าไปเกิดหลงหลงอย่างในการปฏิบัติยกตัวอย่างในการปฏิบัติมีแย่ไปนะการปฏิบัติระดับที่กดทับกิเลสเอาไว้แล้วเข้าใจว่าหลุดพ้นนะชั้นของวิสุทธิเจตที่เคยพูดถึงวิปัสสนูปกิเลสสิบข้อ เพรนี่นก็หลงได้ก็หลงได้เพราะอะไรเพราะตัวอริยมรรคยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นใหญ่ไอตัวความรู้ความเห็นในจิตจริงๆมันก็ไม่ได้ชัดทาให้ท่านหลงได้แต่ถ้าเขาสมบูรณ์การปฏิบัติเข้าถึงผลสมบูรณ์เขาก็เป็นอาทิตยประเดี๋ยเดี๋าจะเป็นใหญ่ในตัวรู้เลยพอรู้มันก็เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเนี่ยเพรอจิตห ล, ลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้ว ลักษณะอย่างนี้ลองดูที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในตอนท้ายธรรมจักที่เคยพูดรู้สึกครั้งที่สานะฮะที่ทรงแสดงว่าญานันจะปนเมดัษนางอุธรปาริก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนาิดานิปุณัปโวพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปนี่คือญาณทัศนะ ญาณทัศน ะ, ะวิมุตติญาณทัศน ะ, ะคือความรู้ความเห็นในตัววิมุตติในตัวจิตที่มันหลุดพ้นมันหลุดพ้นจริงครับเพาะบางทีมันไม่จริงครับบางทีไม่จริงเช่นสมมติว่าก็ไม่ไม่จะสมมติละคือว่าเป็นคนจริงครท่านผู้หนึ่งเป็นอักธิปดีนี่ท่านพูดเองครับ พอพอปลดกเกษียณเดนนี้คุยใหญ่โอ๊ยผมเดนนี้สบายแล้วท่านสบายเลยโปร่งไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องบุญวายนอนตื่นสายก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรแต่เห็นฮะตานี่มันแสดงถึงความเบิงวางความว่างเปล่าความโดดเดี่ยวเดียวดายนะและเห็นได้ชัดว่าแววตาท่านขัดแย้งคำพูดของท่านแสดงว่าท่านไม่วิมุตติจริงแสดงว่าท่านไม่ยังมไม่วิมุตติจริงๆเลยเฉพาะเรื่องนี้นะฮะเฉพาะเรื่องนี้ อย่างที่บอกมาแล้วว่าวิมุตต์มันมีหลายระดับวิมุตต์นี้เป็นแต่ทางกับวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยอารมณ์ น, น, นั้นนด้วยองค์ น, น, นั้นนโดยชั้นศีลบ้างโดยอดทนบ้างโดยเมตตาบ้างโดยขันติบ้างอะไรอะไรเนี่ยท่านไม่พ้นจริงฮะท่านก็พูดแข็งใจพูดไปอย่างนั้นเองเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากท่านอยู่รู้สึกจะเดือนครึ่งหรือไม่ถึงเดือนอไม่ถึงเดือนครึ่งเดียดตายเลยตายดืย้อๆมันเขียวเฉาไปอย่างนั้นเองะซึมเศร้ามันมองบริวารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วในที่สุดมันก็ ไปนี่เพราะอะไรเพราะว่าไอสิ่งที่เราบอกว่าเราละเราเลิกได้นั้นเราไม่ละเลิกจริงวิมุตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญให้ลองสังเกตในยานสามที่เคยพูดเหือกันนะยานสามท่านี้บ อ, อกนะฮะยานสามก็อีก ต, ตอนที่ เ, เรียกว่ากะตะา่ายรู้ว่าได้ทําแล้วสําคัญที่สุดเลยฮะทุกที่ควรกําหนดรู้ได้รู้แล้วกําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรจะรินได้จเจริญให้บริบูรณ์แล ต้องรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วทีนี้มันจะโย ง, งันเป็นแถวแล้วเข้าสูต่ต่างๆที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดอคืออะไรฮะคือสันติธิโกเห็นเองปั จ, จตังเวริตาโบวิโหิวิโยชนจะรู้เฉพาะตนเองวิมุติหรือไม่วิมุตินั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรู้มันเหมือนกับเราป่วยนะเหมือนกับเราป่วยเนี่ยแต่ เ, เราหายป่วยหรือไม่หายนี่เราเป็นคนรู้นะ เราต้องรู้หมอก็บอกไปอย่างนั้นนะเรารู้แต่หมอบอกก็หายแล้วคุณกลับบ้านได้ก็กลับบ้านหน้าแต่ยังปวดยู่เนี่ยก็หมอไม่ได้เห็นตัวปวดเนี่ยนะเราจะเป็นตัวรู้ของเราเองเราหายหรือไม่หายเนี่ยนี่ก็คือวิมุตต์พวกอริยมรรคจึงเป็นอธิปดนะีเป็นใหญ่ในความวิมุตต์ในความหลุดพ้นเหล่านั้นไม่ว่าในชั้นใดก็ตามทีนี้อย่าลืมว่า ยานธมาตบอกแล้วว่าแกใหญ่ก็ได้ในชั้นๆแม้แต่ดึงออกมาเป็นเส้นๆ้นของเชือกตีฮะมันก็อำนวยประโยชน์ได้ในชั้นๆสมมติว่าตัวอย่างง่ายๆนะฮะตัวอย่างง่ายๆว่าเราปฏิบัติข่มใจได้ไม่โกรธไม่โกรธยิ้มแย้มจั่สาสดีฮะแต่ก็ดูวิวมุตจิงหรือเปล่าคือยังพยาบาทม ยังต้องการจะแก้แค้นวันนี้ต่อหน้าคนไม่ว่าอะไรปล่อยมาก่อนวันหลังจะต้องเอาให้จํานับแบเนี้ไอ้ น, นี่ก็แสดงไม่วิมุติจริงไม่วิมุติจริงมันก็ต้องวิเคราะห์จิตตัวเองเพราะบางครั้งมันมีประเด็นลวงอยู่มันมีเรื่องอะไรลวงอยู่มันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเป็นอันมากที่ทําให้เราเข้าใจว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างที่เคยเล่าเรื่องนางเวเทฮิกานะเวเทฮิกาที่ เขยกย่องสรรเสริญกันว่าแกเป็นคนมีขันติมีสรุรจจะคือความอดทนมีความสงบส ง, บสงเงมอย่างยิ่งใครๆก็ยกย่องไปที่ไหนสงบส ง, บสงเงมอดทนเรือเกินต่างคนต่างก็โ อ, อกเอาใจกันแกเองนั้นแกวิเคราะห์ตัวแกเองหรือเปล่าไม่รู้แต่คนใชน้ในสงสัยว่าคุณนายนี่จริงเหอะรืออย่างเงี้ยก็เลยไปทดสอบดูทดสอบดูก็ไม่มีอะไรฮนะแกล้งนอนตื่นสายนอนตื่นสายวันแรก ก็มาปลุกเสียงก็ไม่ค่อยดีแล้วเสียงก็ไม่เหมือนเดิมแกก็บอกเอ้มันท่าทางไม่ค่อยสงบสิงเกียมจริงเท่าไหร่นะพอรุ่งเช้าอีกอะนอนหลับตื่นสายอีกอะตอนนี้ปลุกก็ไม่ลุกขึ้นเลยไม่ลุกขึ้นเสียงก็แข็งขึ้นหน้าตาก็ทะมึงทึงขึ้นแต่ยังไงแกก็ยอมลุกขึ้นนะฮะวันนั้น ย, ยังยอมลุกขึ้นพอวันที่สามนี่ปลุกยังไงไม่ลุกเลยทีเนี้ย ปลุยังไงไม่ยอมลูกนอนเฉยกริ้งไปกริ้งมางั้นน่ะตื่นแต่ไม่ยอมลูกถามม่าทําไมนอนตื่นก็นอนเล่นสนุกสนุกเงี้แกลงแกล้งพูดยั่วยไปด้ว ย, วยฮะขานแตกเลยทีนี้ขานแตกเลยตีหัวแตกด้วยนี่เราจะเห็นได้ว่าคือไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองพอเขายกย่องมาแหมท่านผู้นี้สงบสงเสงบก็นึกว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นฮะแต่ในชั้นของผลอรมิมักจริงๆแล้วจะเกิดยานขึ้นรู้เล ย, เล ย, เลยนะเกิดยานขึ้นรู้เลยว่าพ้นหรือไม่พ้น เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าอาริยมรรคยังไม่สมบูรณ์แล้วโอกาสที่จะหลงจริงๆนะพูดพูดถึงว่าจุดหมายจริงๆนะโอกาสที่จะหลงอหลุดพ้นนั้นมีได้แล้วอริยมรรคเองแกกนะ็ทําหน้าที่ของแกไม่ได้เพราะแกยังไม่สมบูรณ์นะชั้นของหลงจึงมีหลงได้เยอะะหลงทั้งได้แม้ในชั้นศีลหลงทั้งได้ในชั้นสมาธิในชั้นของวิปัสสนาฮนะหลงได้ทุกชั้นเลย ราบใดที่แกยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าวันไหนแกสมบูรณ์แกจะเป็นอาทิตไปดีคือจะเป็นใหญ่ในวิมุตติญาณนะจนะคือเกิดความรู้ความเห็นตามมาเลยเกิด ค, ความรู้ความเห็นตามมาเลยว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาในตอนต้นวันนี้ก็ข อ, อยุดติไว้แต่เพียงแค่นี้